ฉันเสมอทับจะคืนวันมากเกินกับเพื่อนควรจะเป็นเล่นบนหัวฉันแม้ในเรื่องที่ไม่สำคัญเธอชอบมาทำให้ฉันเองอยังไงที่ลันแบบนี้นันมันแปลว่างไงฉันยังสับสนและสงสัยเป็นเพื่อนกันต้องเล่นแบบไหน mm hmm. ไน้าตาไทย เธให้ฉันเป็นเธอเล่นอย่าเล่นกินกว่านั้นได้ไหมถ้าฉันเล่นเกินเส้นไปเธอรับได้ไหมช่วยบอกฉันสักทีว่าที่ฉันคิดใจอยืนที่เดียวกันไหมหยุดเล่นเกันเถอนเล่นเออที่ตอนนี้เราเป็นแค่เพื่อนกันและฉันก็คิดอยากมีสิทธิ์มากกว่านั้น เยันเธอคือเพื่อนสนิทคงฉันเพื่อนเหนือไรบอกันดีก่อนนอนเพื่อนแบบไหนดมหัวแล้วบอกหอมเริ่มไม่แน่ใจเอาน้ามาใกล้ตลอดเวลาฉันต้องการใครก็เป็นเธอที่มาตอ่อใจ ไว้ที่ฉันยืนเธออยู่ ให้ตาพ ย, ยายามทำให้คิดไปหลายทีเป็นคนทีเวลาที่เราเคชิดมาไปรู้ตัวอีกทีในใจมีเป็นคำสาบา ใช่กูฆ่าไม่หาเมืองหงมืงจะค่ามาหากู